บทภายเชนีติกาปาจิตตีแปดิบสามเกินสองข้อองค์คุลีภิกษุณีสำคัญว่าเกินชํมระต้องอบัติปาจิตตีเกินสองข้อองค์คุลีภิกษุณีไม่แน่ใจชํมระต้องอบัตตปาจิตตีเกินสองข้อองค์คุลีภิกษุณีสำคัญว่าหย่อนกว่าชํมระต้องอบัติปาจิตตีทุกๆุกกฏ ย่นอนกว่า2ข้อองค์คุลีภิกษุณีสําคัญว่าเกินต้องอาบัติทุกกฎย่อนกวา่าสองข้อองค์คุลีภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎย่อนกวา่าสองข้อองค์คุลีภิกษุณีสําคัญว่าย่อนกว่ า, วาไม่ต้องอาบัติ